Namo tatsa, hawató arahato sama sambut tatsa. Namo tatsa, hawató arahato sama sambut tatsa. Namo tatsa, hawató อทโสสัทธายัตตะมันเตสักขจังธรรมโหมโสภู่ที่ขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่าน ที่เราท่านทั้งหลายครูมหาบําเพ็ญบุญเนื่องจากโอกาสพบ ได้ลาจากท่านพ่อไปมีคําว่าจืดจางคือหายไปรู้สึกว่าคุณธรรมมีคุณวุฒิที่ลูกสิ สงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่มีคําที่ว่าพลาดหวังทุกท่านทุกคนแม้ๆนั้นที่กล่าว นี่เรียกความแนะนําทั้งสองของท่านพ่อที่พวกเราโดยไม่ได้ วันที่ 24 25 26 เมษายนเป็นวันรำลึกครบรอบท่านพ่อๆในประเทศไทยที่ นี่อริญนะว่าท่านพ่อท่านได้สร้างคุณงามความดีถึงว่าท่านจะได้จากพวกเราไปบุญกุศลที่ท่านสร้างไว้ที่ท่านได้ฝังไว้เดี๋ยวสิดู 30 ล้านหลายร้อยล้านท่านก็ทําได้บุญบารมีท่านพ่อยังเกื้อกูลอยู่เพราะคําว่าบุญ อยู่ๆก็เป็นขึ้นอยู่ๆก็มีความคนนั้นมาสงเคราะห์อันนั้นคนนี้มาสงเคราะห์อันนี้ สร้างขึ้นด้วยบุญพระอยู่ในวัดอโศกที่อยู่ในนี่เนี่ยคําว่าขาดชานิกรกดยากไม่มีเพราะอะไรก็ งานงานครบรอบของท่านงานรำลึกถึงคุณบูชาจะใน ครบรอบทันกว่าดีมาเพื่อบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลนี้คือ ใจวาจาหนึ่งใจหนึ่งนี้เป็นเครื่องมือจากเครื่องภายนอกได้แก่ เมื่อกระทําขึ้นผู้มีสติปัญญายกเว้นในสิ่งที่จะทําให้ ขออภัยที่ว่าเราเดินไปตามถนนเห็นจริงมั้ยมันทิ้งขวางถนนจริงเล็กๆละน้อยเราอาจจะเอามือช่วยหยิบ เรเรามีอวัยวะพร้อมที่จะทําบุญทําของกายมันไม่ยากไม่ยากจริงๆเพราะว่าถ้ารู้จักว่ามันกัน เราเสนอนะให้สิ่งที่ว่าหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันไม่ๆหน่อยๆให้อภัยให้กันให้ 2 คนแทนดีดีด้วยกันมันก็เป็น เราเห็นเพื่อนของเราคนของเราที่อาจจะได้โชคดีได้ลาภ มีเท่านี้ก็ให้เกิดบุญไปช่วยเขาเหล่านี้เท่านี้ก็ ทำแล้วให้ถ้าพูดถึงว่าความเดือดร้อนแต่เองอันนั้นเป็นบาปคําว่าบาปและบุญถ้า พูดแล้วสิ่งนั้นให้เกิดความเดือดร้อนแม้แต่อดีตที่ผ่านมานานๆมาเพราะ เราให้ซอมเสินในข้อถึงวางตัวนั้นได้ก็ถึงละตัวนี้ได้คําว่าละกรรมวางในที่ การพามก็ดีเป็นพ่ออุปาสกก็ดีมาประพฤติธรรมเราท่าน อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละหมู่เพื่อนเผื่อนฝูง ถ้าเรารู้จักต้นตอที่เกิดของบุญและบาปทุกคนสามารถละได้ถึงละไม่ได้เดี๋ยวนี้แต่คิดแล้วคิดถึงที่ไปๆเพราะอะไรเพราะเห็นผล แล้วก็ประกอบขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือว่ารู้จักที่ไปที่มาของมันถ้ารู้ สิ่งที่มันเหลือบอกต่อแรงเอาไว้พิจารณาหลายๆอย่างหลายๆของจนมันเข้าใจมันก็ ทั้งหลายแหละมันเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นความ เพราะถ้ารู้จักว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้จักว่าการบําเพ็ญบุญก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ มีอวัยวะเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าหญิงชายไม่มีใครมีมากมีน้อยหรอกมีเท่าเท่ากันนั่นแหละแต่ถ้าเราเข้าใจและเราพากพยายามที่จะ ให้มันเห็นจริงหรือไม่จริงมันเห็นจริงหรือไม่จริงถ้ามันเห็นตัวนี้จริงแล้วเราจะหาวิธีออกของมันมันจะออก สิ่งที่ละได้นั้นไม่ได้ไปข่มน้อยๆไปถึงมากๆอย่างแต่เรื่อง ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดอโศกนี้คนนับเป็นร้อยๆ คนถ้าว่าคิดว่าเรามามาเมนบุญท่านท่านทั้งหลายคิดว่าท่านมามาเมนบุญท่านก็ๆสิ่งที่ไม่ดี อ้ายลูกอ้ายหลานแม้ยากก็ดีย้ายก็ดีแม่ก็มายังบ่นๆน้อยๆมิตะบ่นมิตะละเพราะถ้าเรากว่าเรามาบําเพ็ญบุญสิ่ง มาบําเพ็ญบุญพันคู่โคตรนี่ถึงกะว่าอะไรเป็นตัวให้เกิดบุญบุญเกิดขึ้นตรงไหนมาชี้แจงให้ท่านฟัง 3 อย่างเนี้ย เพราะว่ากระทบทั้งในยินผ่านหูมันจะออกไปซะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามาบําเพ็ญบุญเรามีสติกําจัดเรามาทําไมเนี่ยถามใจเรามาทําไมเนี่ยจากบ้านจากช่องมาจากลูกจากเต้ามาแล้วมาทําไมถ้าว่าเรามาบําเพ็ญบุญอ้าวถ้าเรามาเป็นบุญแล้ว อยู่ข้างข้างบ้านเราเยอะแยะไม่ต้องเอาเพราะ ลูกหลานเวียงมหาเออแม่ได้บุญมาฝากลูกถ้าเขาถามว่าบุญ ทุกท่านทุกคนบ่ามาเอาเลยมันกระทบกระทั่งทิ้งไว้คงนี้เองทิ้งไว้ที่นี่บุญกลับ ไม่ใช่บุญเกิดจากกายท่านทั้งหลายลึกล้ําอะไรเกินไปน่ะบุญเกิดจากกายเออลูกเด็กเด็กแดงคนๆดิ การทํามูลก็ถ้ารู้จักการทํายิ่งทุกวันนี้เลยแล้วบางคนเคยเห็น คุณจะไปหาทําไมกะนักขนาเราเครื่องมือใจของคุณก็มีรูปเสียงกิโลธัมหัตมันก็มีอยู่ เราเอาสิ่งเหล่านี้ประกอบข้อที่สิ่งที่เป็นประโยชน์ผลเราเฮาก็กล่าวที่ฟัง ทำไมเขาบอกคนไปตายได้ก็เพราะเขาพูดเป็นคนพูดเขาพูดเป็นพูดเนี่ยคําพูดถ้าพูดเป็นชะอย่างเอาผิด พูดกับถ้าเราพูดเป็นกับหลานพูดกับเพื่อนว่าถ้าเราพูดเป็นและมีแต่เพื่อนฝูงมีแต่มิตรสหายไม่มีใครจะเป็น คนอื่นก็ชอบเหมือนเราน่ะทุกคนมีเหมือนแต่มีใจเหมือนเอาของเหล่านี้ออกมาใช้เถอะเอามาใช้กันเถอะให้เต็มตามภาวะหน้า พจัญเชิงเหล่านี้ถ้าเราเอามาใช้ข้อเพลือที่แล้วอยู่ตรงนี้นี้เองเราไปอยู่บ้านของเราก็พูดกับลูกกับหลาน จะแนะนํามหัมมศรฟังแล้วจะเสริมภัยไว้รอบพื้นอูอันนั้นเนี่ยป่าแม้เกิด มันให้เกิดเป็นความเดือดร้อนทั้งระยะใกล้และระยะไกลอัน ส่วนทําแล้วให้ความเย็นใจให้ความอบ กล่าวในสิ่งที่เราทั้งหลายมีอยู่ไม่ ใน 2 ต่อด้วยต่อ 1 ปฏิบัติธรรมอีกต่อ 1 บำเพ็ญตนให้เกิดความสุขแก่ตนเพราะในบุญทั้ง 2 ต่อทั้งบูชาท่านพ่อก็ปฏิบัติบูชา ก็อาจจะได้ยินคําพูดที่คนใกล้ๆเหงียงเคียงพูดแล้วมัน ทุกท่านท่านคงจะได้บุญกลับบ้านกันทุกท่านทุกคนไปฝ่าทุกข์ความขลานบางท่าน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ซึ่งให้ข้อคิดแก่ท่านผู้ปึกศึกษาธรรมเราพึง ท่านเมื่อปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมธรรมนั้น คนนั้นญาติโยมสาธุชนค่อนข้างที่ได้ยินได้ฟังแล้วนําไปใคร่ครวญในพิจารณาดูว่าจริงเหล่านี้เราพอจะทําได้มั้ยเรา จะว่าโง่ก็โง่ว่าไม่โง่ก็ไม่โง่น่ะก็รู้จักว่ารู้จักโง่รู้จัก กับโน้หรือแจ้งโน้มันก็ผ่านพ้นไปแทนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นมางองตรงนั้นไม่เกิดมันนี่เนี่ยคือคําว่าประพฤติธรรมอาการอันนี้เนี่ยเรียกว่าประพฤติธรรมอาการอย่างเนี้ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคําว่าประพฤติธรรมปฏิบัติเราลงมือได้เลยไม่ใช่ ตำนานที่แผนหนัง 1 วิธีการ 1 เรื่องอิริยาบถเปลี่ยนนิยามบทเดินอย่างเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่ว่าเราก็ทําทุกวันเรามีอยู่ คิดว่าภายในครอบครัวของใครของมันจะ เอาแต่บุญกลับบ้านสิ่งที่ไม่เป็นบุญน่ะอย่า ผมว่าละกิเลสบันเทากิเลสก็ไม่ใช่อื่นใครรู้ๆเอ้าแต่เล็กๆก็น้อยๆแล้วอันที่ ที่ท่านผู้บำเพ็ญมาแล้วท่านดำเนินตาม ที่เราท่านมาทุกปีทุกปีทุกแล้วบาดจริงๆเห็นวิธีปฏิบัติจริงๆแล้วความทุกข์ของมากน้อยแค่ไหนหอบอยู่ทุกข์เก็บอยู่เราลดมากน้อยแค่ไหนอันนี้วัดดูที่ ในมีนายเลิกกับช่างรากไม่คุ้มค่าถ้าเราเออคนนั้นคนนี้อยู่ใกล้กันพูดขึ้นแล้วเสนอนะ ไปบุญกับบาไปฝากลูกฝากหลานอย่างที่ว่ามาแล้ว ถึงท่านจะจากไปแล้วบุญของท่านก็ยังทิ้งไว้ให้เราได้บริโภคอีกเราได้ พระเจ้าเอาไหนไปอุทิศตัวนี้นี่อย่างท่านเจ้าอาวาสเป็น น้ำก็ดีไฟก็ดีที่พระพราห์ใสก็ดีที่ท่านทําไว้เรามาเสวยความสุขสุขอันนี้ ที่เกิดขึ้นเพราะท่านผู้บริหารในที่นั้นนั้นเสียสละความสุขแก่ตน นําไปปลิวบาดบังไกลวาจาใจของคุณให้เป็นไปสตุสะเพโพเรนตุสังฆปาตันโทปนะดะโสยะถามัยโสธีระโส สัพพโลกวินาทตุมาเตพรณายตโรสุขีชีขะยโกภาวะอภิวาธนะสีริสสนิตังวุทธาวจีโนจัตตาโรธัมมะวทันติอายุวรรณุ